ควรทำกันเนะเอาะต้ อ, องอยากสมหวังถศอันเนาะเราให้ไปทำหน้ที่ในทางชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้บอกคิดบอกถูกอันเกิดขึ้นจากทางกายทางใจนี้มันก็เหมือนกับปล่อยกันทิ้ง ไม่มีประโยชน์การอยู่ร่วมกันในโลกนี้แล้เราก็เกิดมาร่วมโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะให้เราทำหน้าที่เรื่องนี้ทำไปทำหน้าที่เรื่องนี้ไม่ได้บอกผิดบอกถูกความเกิดจากกายจักใจต่อกันแล้วก็ถือว่า บกค้องที่จุดไม่คุ้มค่ายิ่งพวกเราเป็นนักบวชมีจตุนาร่วมกันมีมุ่นชวนล่วมกันยิ่งจำเป็นในสิ่งที่บอกกิดบอกถูกก็มีคำสอนที่เป็นองศาตรด า, ศา ได้สอนไว้ไม่ต้องไปคน้นหังหาที่ใดแล้วก็เกิดมนวลไหวพระได้สาธยายคำสอนทุกจ้าทุกเย็นปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, บ ต, บ ต, บติออกจากทุกปฏิบัติสมควร <c oughs> คืออย่างไรตรงนี้ แล้ระเจ้าพอทำพระสงฆ์คืออะไรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพระพุเจ้าผู้ใดเห็นว่าพระพุเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่ต่อเนื่องด้วยกันกว่าสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นี้มจึงมีแต่สิ่ง น, นี้ไม่มีสิ่ง น, นี้ก็ไม่มี ที่วปฏิจจตัวประบาทแล้วก็ปฏิบัติในต่อสิงที่ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรมันมีความดีความไม่ดีความผิดความไม่ผิดต่อสิ่งที่ทำํทำทาผิดมันก็เป็นทุกข์จึงบอกสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ไม่ผิดเป็นความทุกข์ไม่ผิดไม่ถูกต้อง ความไม่ทุกข์นถูกต้องควโกรธไม่ถูกต้องควาไม่โกรธบนถูกต้องที่นี้มีที่นี้จึ ง, งมีแต่จึงแก่จึงเปลี่ยนปฏิบัติดีปฏิบัตดิตดีคือเวลาบนหลงได้เปลี่ยนเป็นไม่หลงหรือว่าปฏิบัติดี ถ้ามันทุกข์ได้เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์เรีวยวปฏิบัตดิดีอยู่ที่เดียวตรงที่เดียวยืนหยัดอยู่อย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับกายกับใจเมื่ อ, อไรก็เปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกโอกาสทุกครั้งอย่างนี้เรีวยกว่าปฏิบัติตรงไม่โอนหนึ่งมาแย่ วันหลงก็แก่หลงเป็นรูไม่หลงนั่นตรงอยู่ด้วยกันอย่างนี้ปฏิบัติออกจากทุกเวลาหมดทุกก็เปลี่ยนความทุกเป็นไม่ทุกได้เปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติเป็นสถาบันอย่างนี้เป็นสถาบันคือมั่นคงแน่นหนาพร้อมที่จะรู้ลกอยู่นี่ การลูล่ลกสิ่งที่มันผิดสิที่ไม่ผิดดรียว่าสถาบันยืนหยัดอยู่อย่างนี้เรียกว่าบุคคลแปดจำพวกผู้ใดทําอย่างนี้โสดาปฏิมากโสดาปฏิผลสติชาคามิมกักสติชาคามิผลอนาคามิมกักอนาคามิผลอรหันต์มักอรหันต์ผล ทีคู่นี้เรียกว่าแปดบุรุษแปบุรุษคือใครู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันอย่างนี้เดียว่าสังฆาขึ้นเดียวกันจะเป็นคนคนเดียวกันคือหมูนะ่คณะเดียว่าจารชนาคือคนเป็นคนดี ศาสนาคือคนเป็นคนดีไม่มีทุกข์เพราะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติตออกจากทุกข์คนไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาศาสนาก็คือเจริญการมีสติที่จะต้องเป็นอุปกรณ์การเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เปนเ็นเรื่องดีนี่ต้องประกอบขึ้นมาเรามีกามีใจใจนี่ก็เหมือน มันก็เป็นจิตอัน้หนึ่งเราพูดง่ายๆว่าใจคือจิตใจมันมีจิตใจมันคิโดโน่นคิดนี้มันฟ้าเป็นสุขเป็นทุกข์มันคิดไรไปไวไม่ทันมันนั่งอยู่นี่อยู่วัดป่าทุกตัวนี่มันคิดไปถึงไหนแบบเดียวไปถึงที่อื่นแล้ว มันเคยท่องเที่ยวมาเป็นฐานของมันเราใช่มันเที่ยวมาตลอดเดาไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้กลับบ้านไปกันเลยยันไปจลิตนิสยัยง่ายที่จะหลงง่ายที่จะคิดไม่รู้สักตัวเลยไม่มีสติ เราจะมาฝึกสติเพื่อมันทันความคิดที่มันไปไวๆเนี่ยต้องฝึกขัดตรงนี้ต้องฝึกขัดถ้าไม่ฝึกขัดสติมันจะไม่ไวจึงมีวิธีฝึกขัดหรือว่ากรรมฐานให้มันอยู่ที่เดียวลองดูหลมหัยใจก็ได้การคู่ เขียนเข้าเหยียดฉันออกให้ามันรูปอยู่นี่เรียกว่ากายมีจิติประ็นกายให้ามันรูปอยู่นี่มันจะได้เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาปั๊ บ, บจยได้รูปป๊ บ, บอย่างนี้มันพร้อมที่จะรูปอยู่นี่ถ้าไม่ฝึกขัดเป็นที่ตั้งเอาไว้มันจะไม่รูปสักอะไรเลยไปที่ไหนแล้วจะเป็นถุกเป็นทุกข์ เก่าของถูกควาทุกข์เป็นตัวเป็นตนไปเลยก็เพื่อนไปเลยไปรู้ต้นตอเพราะจิงนี้มีจิงนี้ยึงไม่มีเรียกว่าธรรมะจึงมาฝึกขาดกานจะเห็นเรามีการจริงจริงตั้งไว้ให้รู้จิกตัวก็รู้ได้เอากายไว้ต่อกับความรู้ให้ความรู้มาต่อกับกาย ว่ารู้มีสติเป็นที่ตั้งไปในกายมันจะเปน็นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นอนเดียวกันไม่อยากคิดมันก็คิดใายนั่งอยู่นี่จิตมันคิดไปทางอื่นเป็นสมุทายสังขารบุญแต่งไป เกิดจากความคิดถึงตัวกลรรมตัวกลรรมเป็นจมเลยเหมาเลขหนึ่งคือความคิดทำไมจึงคิดว่าไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะมันมีสติทำไมไม่มีสติเพราะไม่เคยฝึกชีวิตเรา 60-70-80 ปปีอาจจะไม่เคยได้ฝึ ก, กจิตใจสักปีเดียวเลย นอกจากนอ น, นใช่อย่างอื่นใช้กายใช้ชีวิตไปอย่างอื่นเย็นนอนเที่ยวเตะเล่ร่อน2 0 3สสสปีไปโ น, น่นเย็นนอนเฉยเฉยเนี่ยเที่ยวเล่นเล่นอย่างน้อยก็ต้องเจปปีตามที่เขาสถิติกาโดดดูชีวิตของสัตว์โลกคือคนเหล่านี้แข่งตัวเจดปีนั่งบนรถจุยเจ ปีอะไรหลายอย่างก็หมดไปแล้วเก0ปดปีเนี่ยแต่การฝึกกิจนี่ไม่มีปีเดียวก็ไม่ได้เลยก็เลยพลาดเกิดมานี่ไม่เคยได้ฝึกกิจใจก็ไม่ได้ใช้กิตใจนี่แต่มันใช่เรา เมื่อวันช้าเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์พึ่งไม่ได้ว่าอยากคิดนั่นก็คิดหยุดความคิดก็ไม่เป็นอต่นี้ก็มีใจก็มาได้พึ่งใจใจนี่ถ้าเพ่ขัดมันเป็นสวรรค์นิพพานเป็นมรรคเป็นผลนเมื่อก่อนเกิดเจ็บเจ็บตย ก็าราไม่ฝึกเกิดใจนี่แหละจะเป็นตัวกำหนักวังให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้ดโกรธโลภหลงเกลียดพันหน้าตั้งหายรอยแปดหนักเป็นภาระหนักยืดโน่นยืดนี่บางทีก็ยืดเด็ดความทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนยืดเด็ดความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนต า, ตามความทุกข์ตามความโกรธ เสียผู้เสียคนเหยียดเยียนตนเดงเบยียดเบียนคนเดินมามากสัดเดนวัตถุอื่นมามากแล้วทำให้คนเด่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมามากก็มีเพราะปิดใจเนี่ยไม่เคยได้ฝึกหัดง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธถ้ได้โกรธได้หลงเลยทสยกข์จะไล่กันแสดงออก หยอบจังไม่ได้เอาเป็นตัวเป็นต้นแล้วจึงมาฝึกหัดการหนึ่งวันสองวันให้มีจิติจไปในกายเป็นประจำตามพระพุทธเจ้าฝึกหัดพระพุทธเจ้าฝึกหัดอย่างนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะสิทธะฝึกหัดอย่างนี้จึงไปเป็นพระพุทธเจ้า รู้จิตติดูกู้แขนเข้าเหยียดแขนดอกกู้แขนเข้ารู้จิตตัวเหยียดแขนออกรู้จิตตัวแล้วก็เอามาทำประกอบจริงๆก็รู้จริงๆรู้อย่างนี้ลู้ออเองไม่มีใครที่บอกว่ารู้หรือไม่รู้เยื้มมือเรายกมือจะแคงขึ้นเราก็รู้ ยกมานี่้ก็รู้ต้องใบก็รู้ความหมายก็รู้ตัวเองตัวรู้เองไม่ต้องถามใครเวลามันไม่รูก้ก็สร้างให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้เปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นความรู้เราเคลื่อนไหวฟรีๆมานานแล้วเดินฟรีๆคิดฟรีๆมานานแล้วบบบ น, นี้มัสอนมันดูซิมันจะได้ประโยชน์ มันจะได้เกิดคุณงามความดีขึ้นมามีคุณค่าขึ้นมามีกายก็ทําความดีมากมายมีจิตใจก็คิดดีมากมายมีวาจาก็พูดแต่สิ่งที่ถูกต้องมากมายต่อกันและกันได้ทดําดีต่อทุกสิงทุกอย่างได้ในโลกนี้มีจริงที่อาศัย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 เราทำดีก็เป็นประโยชน์วายของคนนี่ใจของคนนีเน่เราก็เป็นชัดสังคมอยู่ด้วยกันเหมอือนครอบครัวเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายเป็นสังคมเป็นตะกูล เราก็เอาความดีไปทําต่อกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นสังคม อ, อ, อาเลียบุคคลขึ้นมาครอบครัวตระกูลเรียบุคคลเจ้าพรธเจ้าได้ต่อตะไหวสอนเอาไหว้ตระกูลที่เป็นใจขะมีในโลกนี้พิจารณเข้าไป ขอแต่คนที่เป็นเจคขาบุคคลไม่ได้ไม่ขอกรกให้อยู่แล้วเจคขาบุคคลอเชคขาบุคคลนี่คือคนที่ศึกษาจบแล้วมันมีทุกข์ีโทษต้องโง่ต้องแม่ต้งพี่น้องลูกหลานมันก็เว็นประโยชน์มีในโลกนี้แต่คนที่เป็นอเชคขาบุคคล ไม่ทำบาปทำกรรมอะไรเลยทาแต่ความดีถ้าเราฝึกก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นตระกูลป็นเชื่อเป็นสายบปอย่างที่พุทธประวัติอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัติกล่าวถึงบุคคลต่างๆในโลกนี้ แล้วก็เราก็ยังเห็นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ผู้อาจา์ผู้สังสอนที่เกิดมาก่อนเราโดยคนขัวเดกศึกษาเช่นเราสวดมนต์นไหว้พรคำวดไหว้าก็สวดมนต์นี้เป็นภาษาบาลีแล้วมีผู้เล่าเรียนศึกษาบาลีมาแปลเป็นภาษาไทย ไปแปลบาลีเป็นภาษาไทยหาเลือกเอาจูดในพระไตรปิฎกพระสูตรพระพิธรรมพระวินยัยหาเลือกเอาดีๆมาเป็นบทสวดมนตอนเช้าตอนเย็นอ่ะจะได้เลือกพบเลื่อนเข็นอันใดอันหนึ่งมาร้อยกองขึ้นเป็นหนังสือเป็นเล่มๆมันไม่ใช่เรื่องง่าย ือว่าบุพการีบุคคลที่ทำความดีไว้ไมามาก่อนเรามีอยู่ในโลกนี้ไม่ผิดแน่นอนอย่างบทสวนบทวิเศษบางบทสว่วนล้เสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณเรื่องคุณเจ้าเรื่องพระธรรมเรื่องหมู่สงเรื่องพุทธบริษัท ไม่จะจรงถูกถูกเห็นด้วยจะไปสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่ใช่ตัวตนไปถือความไม่เที่ยงก็พาเป็นทุกข์ได้ไปถือความเป็ทุกข์ก็พาเป็นทุกข์ไปถือความไม่ใช่ตัวตนก็พาเป็นทุกข์ ใเห็นของจริงๆอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์ก็บอกอย่างนี้จได้ไม่เที่ยงจะได้เป็นทุกข์จิได้เป็นทุกข์ไม่ใช่ควรไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็อาจจะช่วยเล่นแต่ติดปากไปก็ได้เราไม่ได้ ใ, ใจใหญ่จไม่ลึกซึ้งทะไม่แยบคาย ให้สมผัสได้ฝึนหัดไปด้วยเห็นด้วยเกิดไปบวชใดก็เห็นด้วยเวลาใดเกิดความวิเชียงขึ้นมาก็มีปัญญาสะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนเราปัญหาเป็นปัญหาแบบ น, นี้อาปัญหาเป็นปัญญาได้มันศึกษามันก็รู้แจ้งได้ตามความเป็นจริงเห็นด้วยเห็นด้วย อย่างนี้จึงมีสติเป็นหน้าโลกดูกลดูใจผู้มีสติเป็นหน้าโลบแล้วปริวาสปริวาสคือแก้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าไม่แก้ไม่มีปริวาสรูโลภกายใจนี่อาจจะเป็นกรรมได้ต้องอับบตดได้ การต้องอับบัตรเพราะคือการผิดทางกิตใจเป็นนิสยัยไปเลยลาคาจาริตโัวจริโตโมหะจริ ต, ต, รร ต, มรตแม่ไปปฏิวัติไปทำพิธีมันก็ไม่หยุดยังเป็นกวามอยู่ถ้าไม่แก้ไม่เปลี่ยนกรับมาฐานใปนปฏิบัติที่สุดไม่มีอะไรเข้าถึงความผิดความถูกจากนอกจากจตใได้ไมิแต่จิตใเท่านั้น ไม่ใช่วิธีกรรมปฏิบัติเท่านั้นเรามันหลงไม่หลงรู้ขึ้นมานี่ปฏิบัติลงปล่อยเราไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เราไม่คิดไม่หลงไปในความคิดนี่แหละปริวาติได้สอนจิตได้สอนจิตล้วก็จะไม่มีกรรมขึ้นมาไม่เป็นอับบัติไม่คิดก็าอายถ้าปริวัติทาเรายังคิด เม่อเด็กเขาถึงเก่งๆว่าเราไปเข้าปริวาตก็ไปดูก็ได้เป็นศาเจพิธีไม่ใช่ศาเนาธรรมศาเนาธรรมต้องสัมผัสเราอย่างนี้สาเนาพิธีเป็นเปลือกมันเข้าเปลือกมันกินไม่ได้ตัวพวกเป็นเข้าสอนเข้าศุกหรือ ว, ว่าศาสนาธรรมสัมผัสความหลงความไม่หลง ได้ความไม่หลงจากความหลงอย่างนี้ได้เข้าสารจากเข้าเปลือกอย่างนี้ได้เป็นเข้าสุกได้เปลี่ยนความหลงไปไม่หลงเปลี่ยนได้แล้วเป็นเข้าสุกแล้วกินแล้วเป็นของเราแล้วไม่ทุกข์แล้วไม่เดือดร้อนแล้วหลุดพ้นแล้วปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วอย่างเนี้เรียกว่าปฏิวาติ นี่แหละปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยได้เปลี่ยนลู่ได้เปลี่ยนหลงเป็นลู่อยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยนีตัวตัวจริงเนี่ยของจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามใครไว้ทําวันเดือนต้องถามคนเดือนให้คนเดือนช่วยมันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้จะจะทำตนองช่วยตัวเองก็ สอนให้คนอื่นช่วยหรือใครสอนไม่พึ่งคนอื่นจึงเงินหรือ ว, ว่าไม่ใช่สุตธรรมกูวาจาจารยสอนให้สอนให้พึ่งตนเองแก้เอาเองพูะเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการการกระทำเป็นหน้าที่ของพวกเธออางนี้พูะเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้ช่วยใครไม่ได้สอนให้ตัวเขาช่วยตัวเขา เรามันหลงต้องเปลี่ยนเองไม่หลงเรามันโกรธต้องเปลี่ยนไม่โกรธเวลามันทุกข์ต้องเปลี่ยนไม่ทุกข์จะต้องช่วยตัวนั้อย่างนี้เป็นบุญจะช่วยกายช่วยใจให้จากผิดมาเป็นไม่ผิดนี่เป็นบุญเกิดขึ้นเป็นกุศลเกิดขึ้นเจริญขึ้นเป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นมาที่เบิดววกำลมานเถอะนี่ มันสักชิตเป็จริงเข้าโลกที่สุดเลยมันถึงกิดถึงใจจริงๆได้เปลี่ยนกับมือเห็นกับตาตามกับกายกับใจกับวาจาเนี่ยสัมผัดเอาอย่างนี้รู้จักตัวกับวายเคลื่อนไหวรู้จักตัวกับใจที่มันคิดยืนหยัดอย่างนี้มาอะไรจะมาก็มา เราอยู่ในไข่ในป้อมในยามหวานนกลุกที่อยู่ในป้อมปาการข้าศึกมาก็ป่าเปล่าป่าเปล่าันรบหลบอย่างเนี่ยป้อมปาการมันเฉติประานเิดป้อมปาการไม่มีเฉดีเป็นหน้าโรบมาตางใดก็เห็น มาทางกายก็เห็นมาทางความคิดก็เห็นมาทางตาก็เห็นมาทางหูจมูกได้นกายใจเห็นหมดมีจิตติเป็นหน้าโลบจนเนี่ยว่าจะชำนาญมากขึ้นที่แรกก็อาจจะง่ายที่จะหลงต่อไปก็ง่ายที่จะไม่หลงก็หัดมันเป็นไปได้ไว่าหัดลายก็วรัรช่างควัดศัตร เขาก็เปลี่ยนเขาก็หัดอย่างนี้มุก็ใช้งานได้ชีวิตเราแท้ๆนี่เราไม่จะหัดไม่ได้มันเป็นสั์ประเสริฐเป็นมนุษย์เกิดได้ผลฝึกหัดได้สอนได้ํไดำได้อย่ า, อ, าอ้อนอึดมาอ้างอ้างว่าหนุ่มอ้างว่าแกไม่ได้เอ้างว่าไม่บวชวางเป็นฆราวาสญาณยม ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นได้ทุกคนไปหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเปลี่ยนได้ไม่ไม่นี่มีเพียรไม่มีลัทธินิกายอันใดอยู่ที่การกระทำของคนนี่คือของจริงอันเดียวกันนี่ตัวในโลกนี้มีกายมีใจเหมือนกันหมดเกิดะจจะตายเหมือนกัน หนาวเหมกันร้อนเหมือนกันหิวเหมือนกันเจ็บปวดเหมือนกันความกดกเกินที่ใจเหมือนกันความร้อนความหนาวเกิดขึ้นในกายเหมือนกันเป็นคนคนเดียวกันแก้ตรงเดียวกันเมื่อแก้ตรงเดียวกันอันเดียวกันก็เป็นคนคนเดียว ก็เลยไม่มีใครเบียดเบียนกันเห็นดูขันใจเพื่อนกระเจาเจ็บตายด้วยกันอย่างนี้มันจึงพอใจมากชากรรมฐานนี่ได้ทำงานเรื่องนี้ได้บอกเรื่องนี้ไอ้ผู้เจ้คนรือ <c oughs> <c oughs> ว่าได้ทำหน้าที่หวนขวัญเพื่อให้คนได้ปฏิบัติอย่างดี ไอสถานที่ที่อยู่อาวัยบ้างอ๋เพื่อนฝาสฝดได้ว่างไม่าหานการชินตามบัตรภาพแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรบอกกิดบอกตั ต, ก, ตการเช่นนี้ไม่ได้หลอกด้หลวงคายการหลงก็เปลี่ยนไปหลงได้ เราเคยหลงมันท่านจิตใจท่านหลงเราไม่หลงเราเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วรู้แล้วแจ้งแล้วอย่างนี้มีอยู่จริงจิที่เราทุกคนอื่นไปทุกมีอยู่แต่มาจะบอกกันไม่ได้ไมนทำได้อยู่เนี่ยล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างนี้เอามาทำ อ๋วิีีหลายๆอย่างวังทีก็บางมีกาครบางลิีนก็บริกรมศาสนาบางศาสนากั บ, บริกรมไอ้จุลวงก็เรียกกาปันล้ออัอลล้ออลล้อกว่าเดิสี่ข้างข้าขุนตามวัชกิจต่างๆาทีก็สวดมนต์บริกรม ในใัยจอโอ้มีตโปมีตวโคตัโควันละแปดรอยเที่ยวอินทิเบตเนี่ยกระหึม่มทั้งวันเลยละ่ะการสวรดพริกรรมเ่าถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยงเราก็จะติดเวพุทโตพุทโธลูกเอีลอง เขาสัมผัสเขาไปเลยรู้จักตัวรู้จักตัวเด้อเรียกว่าเป็นภาว น, นาขยันรู้มากๆมากๆมากๆเากรรมาฐานตามรูปแบบที่สอนกันอยู่นี่สสจังหวะนี่ทุกวินาทีรู้ได้ทุกวินาทีเคลื่อนมือกู่เขียนเข้าเหยื่อเขียนนรู้จักตัวยางี้ วินทีละครั้งละครั้งรู้ทุกวินทีรู้ทุกวิน ท, ท, นทีมันครบแคเพียงพอเล่อนได้ไวๆอาจจะไม่ถึงเกตวันด้วยก็มีนะหวังคนถ้าใส่ใจจริงๆอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าก้อยไม่ทำจริงๆไปทําแบบเล่นๆ ทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆทำลเล่นๆก็ได้ผลไม่จริงอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนก็พูดกันสู้กันฟ้องย่อมเตือนกันอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้พูดได้สอนอย่างอื่นหรอกพูดเรื่องเก่าบอกไปผิดเรื่องเก่าอันหลงกันเก่ายังฟังกันหลง ทกุก่อนเก่าคือทุกกนยังฟักันทุกอยู่มาพูดถึงเรื่องนี้ลมดีลำไรอยู่เชนนี้ต้องใส่กุญแจแกจ่หลุดไปซจาเนี่ยจะได้อิสระอิสระภาพมิตรภาพมาจะฐานของชีวิตเราเหลือการกระเจียบตายในโลกในปัจจุบันนี่ทุกคนเถอ